เอาล่ะคุณโยมเอ้ยขอเฉลยเอ่ยอ่างเปิดกระจ่างว่างกรอนจเจริญพรในมีสุขโมกขโยมทั้งขายเมื่อนีบนเท่หาหลายจังใดมาเห็นหนามาหลายที่กระคือเก่ามาเจอโยมคือจังเ่าบอลื่มทิมปล่อยหันมากันหลายต่างโมบานต่างเป็นหาาิในธรรม มารวมงานคือเป็นบุญขอบประคุณที่เจอทานเป็นจังใดน้อยังสุขสำราญกันดีบอกคงสบายไปถุกสำนอ้อยมพอนยมแมมสาธุเดผู้มาฟังธรรมเบอนีจะเริญมันเมือนัาสาเดคุณยมสาธุ ธรรมีกถาธรรมานุสนธีธรรมดบเอ่งประสธรรมเทศนานวโรกาตปีต้อัตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งว่าจนกรรมคำสมุสมัญญาจันธานโนมัติจากประเดศพระคุณเจ้าธรรมานุนซึ่งท่านได้มาโยกโยนอุอนตำแหน่งให้อัตมาภาพรับตำแหน่งแห่งหน้าที่ของแม่จันทิมา ซึ่งเป็นมารดาของโซริตะและมันริกาบัด น, นี้นาทีนั้นได้ตกมาถึงอัตมาภาพแล้วไม่เป็นการเสียเวลาก็จะได้หยิบสำเนาเขา้าสำนวนทบทวนบุพพประโยคของต้นเดงสืบต่อไปโดยเป็นใจความว่าโอ้ยแม่ไง อ้าวจังไดกับฟังเดิมมณีเดิ้ลพระกับบสบายดอกโขลกไผ่ไข่เก็บลุ่มเหล่าฮาบันบอไผ่เลาะสนอโสดก็ขออภัยหลวงนาเด้ลในการใฉยเสียงเทศเหลเทศเสียงอีสานเสศเสียงเหล่เสียงแย่อมมนีก็ให้ถือว่าฟังเทศฟังเอาบุญอุบุสุนเดอ้ลจะเสฟังเอาแต่เรื่องจะเสฟังเอาแต่เสียง ฟังเอาทำชำระร่างแนวสิได้กลัวกันพันว่าเอาต่อไปกะสิวาเป็นแหล่เป็นเสียงยาวให้ฟังหลดดอกเนาะหาบ่อไผยรอสนอโสดก็ขออภัยลวงหน้าหนามอ ข้าว่าตัวอังกาตัสามมาสามพุทธศาสนาโมทตสามพังข้าว่าตัวอังกง s a m p u t a sana m a t sambang kawatulang. ใหม่น้มญ่ยจะมาากัน่ายยังเงยวเอากระดักกระเดียนมู่ก็ไดบาทเน้ ยไม่ใหญ่โอ้ยวังเสียงไงคิดได้ขันไม้ตูเมนบ่ถอยไม่ใหญ่จังว่าฟังเอาเด้อสาธุชนคอยผู้มาคอยฟังอันวด้อ แม่ใหญ่จานมงคนมาหัดแล้วสิจ่าไงโคสุดเดียวทาจิตใจสใส่ทําจิตใจให้พร่องแฝวสดับรถเทศนา พันสามทางเห้ากว่าฉันมงคลนี่นะแม่ใหญ่เอ้ยสำหรับตัวฉันนีเ่เดบอทีบอกเคยเวาบอกเค ย, เเคยจา่าวัดโตเด่นดอกเมยียเอ้ยโอ้ยไพ่บอท่านได้พบเห็นขานกิดาวเปือเซลมันคงเต็มหอวรอยบอทอยลมตัมผุดา ลายไม้่ละคนหน้าภาพในการติดโยมกว่าบมีไผ่ติดท้อได้คนยกใหบกําลังเห็ดแล้วปีนี้ดูติดอําดับแสงกายแมนบอ ในการรอนไม่ใหญ่เลยถามเบงเดิมไปเทศไสเจลาหมองตัวตึงปวดอ่อนสมนยมเงี่งอง่ใหญ และเดินโยมพ่อเดินโยมแม่เสื้อว่าเสื้อเขากำดำแต่เปลียนอกกาตามมาอนหนึ่งบ่เปลี่ยนสีดอกเมรนะโอ้ยสำหรับในเมืนย่านลายเด้อยานจะเสียงบ่ใสเก้ง แต่งบ่อนวันก็ข้าวเก่าไม่ใหญ่เอ้ยธรรมชาติดอกสังขารเกิดมานานมันกระเทาะสาัาทขานก็ดังกัน และสร้างขน้อเรื่องนั้นเรื่มมันสาเม่ป่ามันเป็นเรื่องของสังขารอ่านมาจาใได้เนียท่านี่นำก่อนดอกบนม้วนนไม่ใหญ่โหยชนทังม้วนเคยฟังแล้วนะตามสถานีวิทยุเอฟเอม ทอลาทัดอ่อนซ้อนทีวีไปกับว่าวว่าจา์ม่งค้น้วนนี่เทิดมวลว่าลดด้วนมงค้น้วนว่าลดด้วนในมือนี่มาโตักิ่งเสียงกิ่งเดิมใหญ่โอ้ยที่เทพดมวลหรือบะมวลคอยตัฟังบัดเทแล้วแล้วติดตางย้อง Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o เข้าไปเหงไหลบนสิเวนั่นคำกล่าวเทศนาดอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เสียเวลาฟังก่อนปานกนี่ท่านใหญ่เรื่องและบาดนี้เดือบาดนี้อันมาเข้าจัดสำเนาเข้าในเรื่องและจันที่มาแม่ย่าเท่าปวดตายเลวตั้งเต่ น, นั้ น, น, น และอยูบุญแก้มกับมัวบ้านทุกอยากจิ้งอานาถาและทั้งบุตรสีน้อบุตรตาได้ปั่มเปียนดอกแกงวันเมียโย้ผัวตายปตาแต่บุตรายังน้อยคอยกระตันกันเตวาด และยามผัวมดและน้าเมียนบ่มี ม, มองสิเพิ่งผางจันที่มาเลยได้เป็นกัมพาปววตายยากกันปานีแ ล, ละตุกุ้งวานนางู o k r a o m rang ang ang, meyai, kiet bay ma poyak dao kin kaw, tai nam gan โอ้ยขันติดตายกับเป็นวังลูกสองคนเพื่น้องต้องก็เขา่าปืนจินคำเล็งลูกลวกกะดันดันดินไงแอาถึงเมดาและจันที่บ้านนาเงาเงาร่า ง, า ง, า ง, างนำ้ำตา ละเมียเทวยขันอ้วยวงอาวุธตาเขามาเธอก้มเด้นพร้อมทั้งตัวลูกน้อยบนนาำตาพอสิบมัลูกคำเบือ พอปวกเก่าพนั้นไปเที่ยวข้าบดทันเต้าขึ้นกับละลาบนาลาพังกันหลับนอนสายอยามูแมวดอกโเวลาลูลาไปนันเลยสา เชิดเด่นข้าวควายยังอเด่งโอ้ยเคยได้เป็นกลัวเบากันเลงเต่าได้ตื่นใจงพราะเท้าเออ เจ้าแม่ป่าค่อยใบกางให้เก็หมูแก้มบ่มีวันสิขึ้นกาบดอกเตาหัวดอกเชอคงเสือไก่ดูงไก่ตามฝนตกห้าแมนกยังูตา โอ้ยบาดบาเต่าจากค่อยไปเลยบอดใดดอกข้าวจ่อยจากมาหนาวดอกเลียงวอนไปนอนทางอยู่วางใดปวดเท้าอหากินพ่นมากไม่ก่อยเพือกอยู่กลางดงละโนเทา ฝนตกลงไว้อ้ามเต็มสุดทางกลัยจืดนะเท้าเอ๋ยเจ้าที่ยืนสิไ ป, ไปลบส้นละโยผนได้บ่ก้าว นาวะล้มมาจ่อยจ่อยเมียแพ้ตุ้มดอกกอกยก่บ่โดมพอเท่าเอือ้องหยอาบเมื่อมีหมอกยยอยเสียวมเป็นเหมือนเต่าเอาแตงดาวแตงเดือนไปแต ง, แ ง, แงคำบ้องใตลาลา โอ้ยนกน้าลายไลเด้งเตนาไลนเจ้าบ่มีบ่าวดอกเบยสวงแม่นอนความกับ่แม่นอนไงกับ่ล้วคนิ้แก้วอยู่บ่เาอยู่บ่าา แลถึงเวลาอเศราได้นางเจ้าสมกันเิมะยังได้ยอนวยเจ้ายดจังนอสันไรนะตกกลางคืนได้นอนไหนแสนเวทนานักนอนหลับไปจากกลางตื่นขึ้นมาเวลาเศ้ากัเลยงาหวเขาอานกินดอกปอมบามนะยมลู ลอยต้นึ้นก้ัวยาลเลเสียว แม่ใหญ่เอ้ยนับตั้งแต่มือนั้นจนมาอดมือนี้สองน้องเปียไว้คารองนะลูกทั้งสองหญิงชายใหญ่จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะแนวใดดียายกะต้านปุดชาวันต้านตอบผูเปียชอบถูกถูกดานทั้งการในรวบป็นะ เม่ใหียโย้ลูกของฉันนับว่าพ่อชายในโอปุญหยุโคบังโอจะกล่าวลูกตามสูงนางสอนใด้โอ้ยยญ่กะเลยใจกว่างดวงมโนุกกใสแกมแปานกุลาบแลมแกมปันตายแล้วเกิดใหม่มา Mỹ ่ i đi bay say ma say cả, mì con nấp na. p น â n đôi và biến con điệp là มี c ้ à miên. ดอกซ้ำแสงกระบองไต้โอ้ยแจ้งข้าใจน้ำแก้วลูกสองคนน้องกับเพียย่านคนตีว่าสวดสาจังท่ามลาลูกเจ้าองสระตาเอิเฮ็ดจังได้น้ลูกแก้วสมกำว่าเป็นสายเธอนอง และพรอมด้วยคำปิศานยายอมหวานดอกวันงาหัจากลงทั้งงาหัวจากกาดอกทั้งเสียบอนสามมนเท้าแล้วเตีย ม, มานลิกาขันโลกแก้วเป็นสาวแล้วมาน และคือเงอนสามนามสีนั้นเป็นหน้าที่เสียงเฮ้านาว้าวบึงดูคนดีไม่ได้าดอกเทีตาลโอ้ยถ้าการการว่าข้อคำสอนเทแม่าเป็นคนดีบ่ได้โซรตาเอ้ยมันิกาว โอ้ยขลุกแล้วขันฟังแล้วนะหายิยนรอดแล้วหลังนดือนค เน่าโอ้ยเน่าโวยเน่ยหน่าหน่อหจังสันละลูกเอ้ยโซรัตตาลูกผูดตนมัลลิกาลูกปูลาจำได้บอคำไข่ขานค้ามมือ อันซื้อว่าเป็นคนผ่านม่นอยู่ใส่มอมีรุงหัวต่ำสูงหัวจักวายโซลตะเจ้าเป็นชายม่นเจ้าหัวแล้วไปลุงทั้งอาอาทั้งสามเม่นเจ้าหัวแล้วตีมีอย่างเนลล่ลูกเต่าอดร่องเบาสุเมฟังเบิ่งขะนาำบักแหลโอับักลาจะเอือดซื่อไหลแม่เออแม่ลวง ยันรวงหลตัวแม่แหงมากไก่เียวไปแล้วมันลามือจุมกลุ้มก็เลยคอยแหงยไก่ก้มูเนาะออแม่สิเขนมือหลักูว่าเข่นเดี๋ยวเพียกไส้เพียกหัวยัที่นั่นย่งทั้งทุนเออเอาผาเนได้แม่คอยว่เห็นหน้าเจ้าับตาเทรถลูกค่เห็นความงามของเจ้าสลักแม่เอจะเออคือ นบัดนี้อัตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของโสรตะสืบต่อไปดังมีเนื้อในใจความว่าโสรตะโตปุริโสฝฟว่าโสรตะผู้บุตชายฟังบรรยายบรรดาก่าวท่านบอกว่าให้รู้คนจะเป็นบุญในภายหลังจึงได้กล่าวกับบรรดาของตนออกไปว่าแม่ผมเอ๋ยอันวันลุกทั้งหาอาทั้งสามลูกกับพ่อสีหูและสังวน พระคือสอนบอกไว้มันดาไทยกะเน่นน้ำดูวตัวหลักขับเมอันที่แม่ถามโสรตะมานัน่าลุ่ทั้งหาอาทั้งสามดันโสรตะกับพ่อสิจื่อสิจำได้ยุดดอกครับเมอูดีลลูกเอ้ยขันเมนเจ้าจำได้แม่ก็ะเฮงดีใจอันไสน้องจามาตีแม่กะลังค่อยท้า อันหาซีสามที่เมวมีเนวไดให้วเบิ้งขั้นจดจำจือได้ล่องแกศสูเมฟังเบิงก็นับบังลาอ้าวเมอันเป็นอย่างเจ้าคือว่าหาซสามจังสั้นว่ามมนบอกเล็ยกม่ออกทั้งผู้นาลาสัตตเนี่จะได้ชื่อว่าบอกเล็กบอกเบื่อจังสั้นทันเอากระักแล้วมาได้ยินว่าหาซีสามหัวคุณก็สั้นึ้นซอกล่องบันนึโอ้ยมันบอกเมนบอกเลีกบอกเบอดอกลูกดีค้าทีเมวดันมัน เป็นปริศนาทำคำสอนตัวรายอันหาที่สามเนี่ย เขามาลุงทั้งหาอาทั้งสมมีอย่างแนสันเดโอ้ปให้ฟังเบิ่งก็น่าอีกท่อนสามน้ำนั่นมันเป็นเทวดาจังได้มันว่าแม่บอกเลบอกเบอเราก็จะบอกให้แม่ออกคิดเลิกไหลกัจจนหาประกาศจดหนังอีกละเขดเลืกบก็ิดเลืกแล้วแม่เอ้ยปวังคนขิกมเขียนใส่ขิดดินมัดแบบนึงวยมิอยู่จียาด้ไม่ไงยงบัจยูดจีหมื่บานเมื่ก้อนบานโอ้ยบัจยล้วกัจิซือจนมันถือเพื่นแล้วแน ญาตเริ่นอแม่บอกหนึ่งบอกเบอร์ขันบ้ถึกมากปัจจุบเป็นไหนนําพระซุมนั่นลับปจนอ้มาตะไกยตะซางตะซางตอแม่เ้าอยู่ไกยดอกอยู่ขอนแก่นบุรีรัมย์บุรีปนนํา่เห็นเท้าตลาดหาฝากคมดาเปน้ล้มละเอาไปข้อมบาบูนี่นั่นก็คือลุงทั้งหาอาทั้งสาม สรตะหนี่ขยายก่อความว่างโหดจักเั่นโหดจักเตี้ยจังไถวติแม่เออขั้นบางโหดจักแม่ทบทวนความจำลูกเอ้ยคำใจแม่เคยบอกเคยสอนขั้นลูกจำจือได้ล่องแก่ให้แม่ฟังเมืองคอนาจันดออ้าวขั้นจังสันกับฟังได้แม่เดย์โรตะสิเบ้าให้เจ้าฟัง ขั้นมันบ่ถื่หรือบ่เบิดจังไดจังคอยเติมคอยเติมให้ลูกให้เต้าเอาเด้อแม่เออเอาว่ามาเบิ่งขันว่าโง่ได้จังใดกะว่าวสู้พ่อยายเป็นไงบ้านน้องบ่ขาวห้อฟังเบิ่งจักริว่าได้บ่บูนนาทีนี่เส้าเทศยสามปีแล้วไม่ฟังเล่ เียนะเอาโยมเอหลานจากนี้สอกโผล่ะคอนเก่าันมันดียล ฉลองดอกงันเจ้านิและเสียงบ่หวานไยคอยและละเสียงบ่ไปไปโคตมามื่อเนี่ยบ่แม่นมาเทศจดแก่แต่มาแลดอกเอ้ยเน บอเป็นเก่าวจาเฝ้าน้าดอกจากพรล้าฟัง้ารุมบอกไปรอมวนกระใจดอกยมเจ้าอ่นะลักก็สำคัญจาใจสาวล่ะลับวงเมตเตี ซอยเสือนเจ้าวังลานเทศดบันนีหรือบันเพื่อและก้วว่าได้ดอกซ้ำนีบอกเคยอาแข็งผู้ใดและและจังวันไหนวันนี้โยเจ้าแป๊บเตะปลูกวันในมางซอยดอกกันโบลล่ะน ว่าเป็่นมงคลเลือดลาดอกใสมาว่ำละกอนแสดงฉันขวาวละละสาตายโมมึงจังหน่อยนะจังว่าลนจันสติเหตเตุยงเป็นปนัดติหน่อยบอทันลืมแกลักษณะ Mênh làm, áo nhôm ơi, láu xa loa tham, phố k ก e tọc ล á c cay làm, l á เด u ả p มาสมคือคำเอาัมนะลานิวัดเสียงของเจ้าวลานี้มลมันคือเสียงของนำสางบางตีจังบางตีควรนะแต่อยมกินยาปนตองอดสักกาละซอยกัณ์ลาโอ้ย เสเ้ยวล้างหน้านั้นก็ได้หลือเสียบดอกทรงเสียมต่หากมีควดนประโยชน์มีดอกกอไสมเล่ะรักกาละในมาตึงเนียล่ะน้ำการีออกมากาานะลักกอให้ใช้ Ani nong, y n a h นอนเป็นกัมพาเบียนดาไตจากแล้ยวมันดาเนยังจนใหญ่มา สองคำปาเจลื่อใหญ่ไว้ขาน้องงูจากความกวโง่ความแม่ตูดอกสอนสียงเำเตวัดจตกองพานมาอันดาจันทะลมกาวนะว่ายากโวเรืองราวปราเพนีเต้าคำสอนเจ้าตาโอ ล่ะละเมีผมเออโอ้ยอัดมาลุงดอกทั oh, oh ้งงานละตั oh ้งสามเจ้าไปนะและวกบปรัก oh งัว oh, ลายลูกนี่แสนทราบซึ่งแม่ต้องคอกันนี่กรองและวลาลุงทั้งหางได้แก่ยังน้อเพียนองจงตั้งสดตังกระเซมและได้แก่เสละและเดินโยมเรียกว่าลุงดอกทั้งหางมีปานนะนกตึงต้น พอสูรามีรวมเป็นหาาปีศณะเอาใจไปและป้าอ้ือได้กบตวนสใส่เหลี่ยมดอกสองเสียละส่วนว่าอาตั้งสามนันทีควนจำโกนะคุญปุ้ดใจต้องเมียตามประจําใจกันเก็มแกงกันเนียวแน่นละกาละม่นใจ คนกันกำตักความนะสวงให้ดีเดีเข้าอันความเมาให้กรองะอาที่หนึ่งนัที่น้องแม่นอ่านกันกินยวนนะก็ยันหากก็ยันสร้างกอบข้เจ้าสิยุดเียละอาที่สองนันตีแม่นทีอยู่รักอาศัยละได้แก่นะ ทั้งหลายอีกบันเรานั่งใส่วนละลที่สามโกงบอปผ์เนยอาเจไปเป็นลาภนะลาใหกัดอาสิเพีย บอกว่าจนหมุกุนเอิ่นนะลเกิดว่าดีสาเล้วลจาลาเตรียมมาผู้นำเมียนละเปลี่ยนให้ฟังเพียงยอดยอลูกว่าโกงสิถูกต้องหลือเป็่นคอละ ว่าบ้นใดนั้นแหละเดืองละเมีรประ กะไดแก่สินหามีปานาขึ้นก่อนหอดสุราไม่ได้กบตวนปิศนาเข่าพนสั่งสอนถ้าเธอรุ่งทั้งหาจังสิบอลเดอรอนนีละตอนของข้อมจริงยิงก็ได้ใช่กรดีโปดจัรับฟังให้จําไว้ลุงทั้งหาดันก็คือสินหาที่พอยาติ้มโยมพุทธบริษัทพุทธศาสนิกระช่อนปนยึดถือปฏิบัตินีละเมยบัดนี้ส่วนอาทั้งสามนันก็มีอาที่หนึ่งเมนตยูอาศัย อาที่สองคืออาหารการกินอยู่ประจํำมือประจาเว้นอาที่สามนั่นก็คือมิอาจฉี่ไปเป็นหลักไผ่ขาดอาจสิพิ่งผักบอกว่าจนหมุนค้นเอื่นสันดอกเมเป็นจังไดเบาสู่ฟั่งลุ่งทั้งหาอาจทั้งสามนั่นมั่นตึกมั่นต่องคือจังเจ้าบอกเจ้าสอนบละกขับเมมั่นถือบอเออลุ่มหาอาสามเม เก่งมากคะแนนเต็มสิบครูให้สิเอะไรล่ะว่าเก่งมากเก่งมากสมาไห้หน่อยกระดกกระเด็ดแต่แม่สองขันแห่นพันนี่เหนาะจกกินไรก็ให้มันเกินเครื่งแน่ต่อจาก6กจากเก็ดไปทั้งสั่นอ้าวเราจวถอดมันงามเว้ยทิงามไม่เหมืงนขันแห่นซื่อๆนั่นมันหยุดมันอยากขานั้นที่แม่เท่านั้นเขาจะเอาเอาถอดเอาไว้ใส่ไฮไฮรุ่นได้ไหมเนาะ อุ้ยนัคู่เพอหยัดอยากดมแมเอร่อยคะแนนกรไดมันบํานคะแนนคู่เยอะแนนแอยาอามันต่างกันจังไดคะแนนแมกับคะแนนคู่บ้างต่างตัวลูกต่างแบบไดแมอันคะแนนแมกนี่เนาะวไ้ะแนนใสเวลาหลายปีได้ลูกใสเวลาหลายปีแมกควจะทไคะแนนใสเวลาสีสาหาปีป่ได้ลูก อันคะแนนเจ้านิติเมย์แมนบอแมนธรรมดาไรโอแต่ละกคะแนนนี่ต้องพิจารณาตันซี่หาปีจนคอยได้แม่นี่บอลยิงปริมาณยอรเจ้าเน้นยันสนามแมนคุณนแพคุณนาพาเออคุณนาพาคุณนาแพรมากระไซอีกอับอากูแว่ท่อะคุณนาพานี่ดูหน่อยๆเข้มๆไน่อยๆเข้มๆโอ้หอยขี้เตียนตะเกียอยู่ในขั้วหลงคอปลาคั้หน่อยแถลวอร่อยเบิ้งกิจเบิง เป็นอย่งล่ะแม่เข้มลอยกัเข้มลอยเข้มหลายกับเข้มหลายโอ้อันเกียรติจังไดนกัเข้มไม่วันนักับมันตีแม่โอ้เข่าใจล้วล่ะแม่เอ้ยบ่เป็นอย่างดอกขะแน่นของแม่ให้ทอด้าลูกเต้าก็ดีอกดีใจเบิร์ตสลามแม่เออลูกของแม่ลูกเอ้ยบดดองดองพิเศษก็บผู้อื่นจังสันฟัสียงว่าคิดว่าแม่กวาดช่องขําเลยตี เพิ่นว่าท่องคำแม่ก็ว่าขี่กลัวห้ <lawn> <trail> <ม>าเพิ่นว่าท่องคำเจ้าศิวาอย่างล่ะมีเพิ่นว่าขี่กลัวแม่กะว่าท่องคำนี่ห้าเพิ่นว่าท่องคำเจ้าสิวาอย่างล่ะเมเพิว่ามันท่องเพ็ดกุญแจเนาะเอามีตั้งเพ็ดท่องท้องเนาะเม่เอาหล่ะเมีลูกเต้าเข่าอกเข้าใจดีหล่ะหล่ะเมียเอ้ยดีใจลูกเอ้ยคับแม่ดีใจลูกใจแม่จาได้ในคำสอนแม่กาวลาเอ้ย ว่าจังใดทั้งลูกสาวมัลลิกาลูกเกล็ดพังแล้วเป็นจังใดล่างอื่นอันเลี้ยงขันสามนามสีนั่นเป็นหน้าที่สตรีเฮาเว้าบังดูคนดีขันจื้อจำให้จาวเวนะ้าอย่าทำมิกถาว่าบาแลโอกาสปณิอัตามาภาพจะ ง, งั้นมาดาเนินในหน้าที่ของมัลลิกามเป็นลูกสาวกองเมฆจันทิมาสืบต่อไปมีใจความว่า สาธิดาปนาฝ่ายว่าสามมาริกาผู้บทสาวเมื่อได้ฟังมันดาก่าวกับพี่โสรั ต, ตาว่าให้รู้จักในการบังตัวในครอบครัวจะอยู่เย็นและเป็นโสกนางก็เย็นด้วยกับมันดามนริกาก็ทราบดีว่าเรือนสามน้ำสีนั้นควรจะทำอย่างไรจึงปรึกษากับมันดาของตนดอกไปว่า แม่นั่งเอ้ยข้าแม่สอนบอกไว้ลูกว่าเริ่มจักเถื่อลูกยังจำื่อใดเอามาใส่ยศสวรรค์ดอกค้าแม่โอ้ดีล้าลูกเอ้ยข้านั่เจ้าจำได้จดจำมาเริ่มรายอันควรไปใส่แม่เสื้อแล้วจะทั้งเก่าบอแน่ใจว่าดีบอว่าแน่ใจเรื่องใดล่ะแม่เอาล้าลูกข้านั่งเจ้าจำได้ใส่รองเท้าเบามากเบิ่ง อันเงื <ẩ n> <month> oh, right? <that> mm ่อนสามนามสีนั่นเป็นแขกจังใดจ้าราน้าเปื้อนคอคอพ่อแม่หูยางน้ำเบองกันนัานนางโอ้อันนี้แมจะบ้าห้มัลิกานี่บ่าเลี้ยงเงื่อนสามนามสีฟังวัดติแมนานกุลรสตรีต้องรู้จักเงื่อนสามนามสีติดค่ะแมเออมันเป็นสัญลักษณ์ของกุลสตรีลูกผู้ยิ่งเฮาจะต้องพึ่งลูกไว้ลูกเอ้ยโู้คักบ่าวขั้นบรรหูร่างเบาให้แมฟังเบิง เอาละกินอยังแน่เพื่อนสมนามสีลังหนเอาละพอไปอย่างดอกแม่เอ้ยกันย่งสันมาเลก่าสิบาให้ฟังเด็ดแม่เแวะกบวาบุ้งแว่ดูน้อเม่เจ้ากระไดกระไดดอกเม่มือนกระไดเบาหวานกูก็คือกินยาดอกข้นดันก็คือกินยาเมื่อเจ้าบอกินยายูริเมโกติเม่เอื่อมื้แกจักน้อยในเปลียงตาสิแก่งตัวแกตังตงได้ปอ ฟังเด้ไมแม่เลกาสิฟ mm ังเอากลิ่นลองเบ่งนี่เอนมดังเลี้วจ้งว่านี้นู่ตอนเนี้มาจักเตือนสตงาเอนม เออสาวสาวไม่ ừ, 草草草 mày, ปวกไหนุ่มสวมกันหนุาดอกกวางเาวกันไว้ตุนดอกวลางเอ็มเ โอ้ยนนเจนเอาเกศดอกต้อต่างดอกตามเรียงตเงาเตือนนะเออมาเป็นเงินเป็นสันกันต้อไปรูจ้จากเกศแหงอนนะแล้วเปิ่ลวายุมปอกันยุมเมีกันเ ป, ป็นสน า, าวน้อเป็นแสงแงน่ะเออบางวันเป็นเออได้ได้เตื้อเป็นป้องานกันเมียงางดอกเป็นได้นะป้อใบแง เออการเมลไปบรัวกัเหยดแยงดอกกวางเอ็มนาเออกำงันคนดอกตาฟังดอกยางต่ําต่อไม่โบรานไทยดอกก่อนใบเอ็มนาเต้าฟังเอาเดือกันหลอดโซ่เอ็มนาโอ้ยแต่ารุนยาเด้อรุ่นพเอ็มนาเพิ่ว่ามาดอกจังเสียกันเดียวนี้ดอกกาพัง เออเปิลหวานเป็นสาวนั้นมีสิงหนึ่ง ตีวันจามนาจังสิคำงามงวันเกิดสนีบาตยามีเหานเออควายเกาลีน้อยตุกวันดอกไตนาคเกิดกานาเออโยมปกันโยมเมีนมนาตีกว่าควายก้าเตว่ารูปแปงเงี่กันเหน่อยดอกจ้อยพรมนาเออเปนยังว่าเป็นผู้ ยิงจะต้องพร้อมกันนำซีดอกเงินสามนันยังสิเผิดยิ่งงั้โอ้ยการลวกตามนอเสีนหย่องกาเกินต้องนะไปลวกหอยนัเออกันเงินสามนอําซีสัญญาลักคุณสติจะต้องลูซีนำเหมือนสามนาดอกเต็มสามนั โอ้ยน no, uh, um, ้องเงิยนทีหนึ่งเปิ้นบอกใว่าไดแกดอกเกินน้อยนะเออพวกพวกหมาต่อใบบางกันมัวเพื่อดอกเปิ้ลาังนะให้ล้จังน้อยเจเมียนดอกแาดเกินกาจันไงนะโอ้ยเด้งดอกใบไข่ดอกใต้บานสี่เก้ากวัว เอามาเออตัวหมูป็นนอป่าสิดอกกวางนุงยาปนเปืนมาาเท้าไปเงามันกันตำจวงรัวจากเมียมโอ้ยโนเมีเปิ้ลว่าเงินสองนั้นคือเงินคว่ไงจําเจอมาคือว่าคว่เป็นบอลตัวดอกแกงตมดอกความหมวเอาาเออจังว่าวัวตึงเขา ยตํ้มเมียวที่นอนเดิมไม่ลืมนั่ากเมือนมนมตําพีีกยาวทีนอนแนัเออเปิลว่าเจีงดอกไฟนั่นกันวงแกงรูจังมอนแรนั่จังว่าเกือน้ยปีกความดอกเก็บว้ว่าที่ควร เอ็มนาเออจังหว่าเกียงฟังนาดอกกุหลาบกวนเมีวสิเลอเมนาแข่งงากันนีดีกันนะดอกปียากัปล่อยเปิลมาปล่อยดอกปาเลออนนเออกันเปรี้ยนตำดอกกาดเกียงซุปตำเแลวกันตัวําดอกแข็งดีนาเมียนาง เอา โอ้ยจังมานอกนอกจากนี่เหี้ยมนาเออจังมานอกนอกจากนี่ไงฟังตอดอกเงินสามนาโอ้ยเงินนั่นคือดอกเงินผมนอกเกตเกสาเก่าหอนนาเปียบคือเต่ากันไหนน้ำกันผมงามไปกะล้านาโลจังตากันไฟแรงกันมีเก่าใบหยดหวยอมนา เอ um um ื้อยาได้ป่าปล่อยไว้ดอกเือเปียดดอกไปเพียงน่ะเหตุใดดีนูกันนำนัวก ja ันล่ะมัวนัวดูได้จ๋าละในมาเพียงหน่อยนะโอ้ย yes ว่าไฟเกินกันยืนยันนะ แลลววน้อจากเกื่อนจำปากการยังมีอีกที่เม่นที่ใครก่อก่อดีงายนั้เมีนางเงือ โอ้ยเพื่อนมาหนำที่นั้นมีอยัางนี้กูจักไม่แน่แล้วนี่หนำใจส่องานำกินสามหนำปวดแน่โอ้ยสีนหนำใจในจานวลที่หําต้องกานกันในเต็มเปรีมแน่หนำใจเตียมเลือไใจเวลาล้างดอกสิ้นควงดอกเมเอ้ยน่ เออจังว่าพ่อยม่นองสิได้อยาบกันสิใครเอมนัดแจกไปมาโนอาเวกันยาบตินน้อตินเปลี่ยนสิได้ตากดอกเทลางเอออ็มนัดเออระวังเลี้ยกันสาวนางดูก่อนหน่อยสิตกเอ็มนัดยา เมื่อเจ้ากันเมื่อแรงไล่ดอกกวาดได้ได้ไหมโรจิเรนแดงปั่นนักเออนอกจากน้ำใจแล้วก็เมนส่วนที่เขากินลายย้อมบนตักลูจากลองงานตุ้งเต็มดอกปิดไปงาเออในฤดูดอกกันเลงแตเวงหากันนําบอยนักตากเซตุ้มกันบ้านดองดอกไข่ตอนดอกแก่ นคนนะเออา้ไงดาวนตุกนาหมาเดยวบังกังไงทมนะโอ้ยนเมียเม็กตุกเตียนยีปวงว่าเดนสีก่อยดอกเก่าใจว่าำดนะ ก๋าเง้สบหน่อเปาเปียงจานกันตำหน้าเทียมน้าน้ำทีนนท่สามบอกไว้ไมีสมัยนี่เปิ้ลเลิกใช่ดอกคือ น, อน้ำกระบอกปวดนนอน้ จามเป็นคนนงง้อยเงินไปเมีเจ้าลำนักโอ้ยน้ำที่ทีแม่น้ำลำดักคือน้ำดักยังใจแงนักจะหาอะไนมาเพียงเนี่ยขอเจ้าก่อนไว้ดีก่อนละโอ้ยน้อเมียจาไว้เดืองตอนนี้ไปนักน้อยนัก ตีบาม่โแม่แม่เม้ยนางคนแม่ดนแมนมนแม่เอาละเมีนางเลยคำทีแม่ขสียงเงินสามนะนำเี สัญญาลักลุกสติจะต้องลูสีนามเงื่อนสามนำเติมสามนามเงื่อนที่หนึ่งเนว่าเงื่อนนอนเงื่อนที่สองคือเงื่อนผมเงื่อนที่สามคือเงื่อนครัวส่วนนามที่สีหนึ่งนามกิ่นสองนามชายสามนามปูนสีนามใจในจานวนสี่นามนี่ที่มลิกาบามาเทกต้องวคะมม อดีใหลูกเอ้ยแม่ดีใจลูกชายลูกสาวแม่จำได้ในคำสอนแม่กล่าวโซรัสเต้าเจ้าก็พว่มเป็นเบาวมันลิกาก็เป็นสาวสิ่งใดดีรีบกอส่างคนทางหม่อมถูกจนที่ลูกเด้อให้พวกเต่าสองคเนเพลนน้องจงรักษาคุณงามความดีอันนี้ จนชีวิตยังหาใหม่เป็นวาคนดีตกนหนำบะไรตกไม่มาหมอันนี้สงผลหลับมีแต่เนนนอนลูกเลยบ่ต้องล่อหอดสัตว์หนาดอกลาเห็นศาสตร์นี่เห็นแต่าเนนนอนละลูกเลยครับแม่หมายความว่าแม่สิ่งที่แม่เฝ้าจนนี้การตีห้าสั่งคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผู้เป็นบิดามารดานั่นอาจนิสง์หรือผลลัพธ์ที่จะได้รับนั่น อากาสิเห็นในชาตินีวัติเมเป็นชาตินีลลูกบ่าต้องรอหอดถาดนาดอกโอ้เอ้าขั้นแม่วาจังสันลูกสิค้องค่อยถากค่อยเมินว่ามันสิเป็นขึ้นจังค่ำเจ้าเววบอดสนดอกเม เมรีรายลูกครับราะฉะนันบนเจ้ามีแนี่ยสิเบ้ากับลูกกับเต่าซํานี่ติเมไม่นช่นี่เลยมีแม่เนี่ยมีแนว่ยสิบอกลังสั้งสอนก็มีซํานั่นละซ้ำนี่ที่ค่ะแม่เออเอาละแม่ขั้นแมวจังสันลูกเต่าดีกสิขอโอกาสจัผู้เป็นมัดา ไปหาหลับจังหลับใบกอนเดอร์เมหาเงินนาท่องวัตสอยูสื่อกินกอนเดอร์เมสิไปหาหลับจังเกี้ยวข่าเกี้ยวเขาตัดอ้อยมื่อ่งนตัดอ้อยเม่นั่นละเมียแมไปใหญ่นําแม่กัสิไปน้ำดูดอกกันย่างบานั่นะเมีเกี้ยวเขากับมือละ300ลอยพวนน้องเป็นเจ้ปวดใจเจะาหยั่งมสิไปหาเงินมาซื้อยาน้ำจุลินีโกกินบังย่งบาน เวลากินเรึงฝังติ๊บดังป่งตับเป็นนีเออไปใส่มาใส่ก็ไดตากระจงจางปังเอวเข่าวดขววเขาเข่าวดพญาพอดีตลอดน่นเออดีบอดีก็ะิล่างมาาบึงนี่คนก้าวโครซาเกิกันจังสั่นลูกเต่าสิไปหาับจ้างเจียวเข่าับจ้างตัดอ้อยมาไปซื้อยุลิมีโหเจ้าได้มีเด้อขาดนี่และลูกมันขาดงอเอินเงินเออมันขาดสระอองงองูนี่ล่ะ เอาเสืผ้ากันไปใส่กันไป ส, ไปสลูกเดแมเมื่อผู้เป็นมารดาได้สั่งสอนอบรมลูกทั้งสองของนางแลว้วนางก็ได้จะแอภูมิใจในตัวลูกทั้งสองของนางด้วยความเป็นสุขตลอดมาก็มีนักการครั้งนั้นแหละหลังจากลูกทั้งสองของแม่จันที่มา ได้ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่เลื่องลือจนเป็นที่ก่าวขานของบุคคลทั่วไปว่าเป็นบทที่รู้กันอยูต่อมรนดาของตนเอกาที่มาสังขัญอยู่มาหนวันหนั้นนั่นเกติสาแบ่งคุณงามความดีก็อกินคุณงามความดีของพี่น้องก็ทราบถึงเสตีสองตระกูลซึ่งต้องการคนดีไปเป็นลูกเขยและลูกสะใภ้ จึงได้ส่งจดหมายมาถึงสอง่ีน้องในใจความจดหมายมีใจความว่าต้องการโซรตะไปเป็นลูกเขยตะกกลหนึ่งต้องการบันลิกาไปเป็นลูกสะใภ้ตะโกนหนึ่งสองปีน้องจึงนำความไปบอกกับมันดาของตนก็มีนักกาลาบดนี้เอาหลับพญัยไม่ไงเอวาดสิล่งไปหาหลับจ่างเกี่ยวเข่าหลับจัางตัดอ้อย ลงเงี้ยนไปกำลังสิไปไปสนีทบัเอาจดหมายมาส่งบัดนี้มือจานนาซ้องเห็นจังสี่ก็เห็นมาจากเศรษฐีสองตะขุนแห่งนอกข้อหลวงโกสัมพีโต๊กอกตกใจแม่ใหญ่เอ้ยภาวะอาศิษฐ์ปีมานี่ศาสตร์พอเห็นเศรษฐีเขียนจดหมายมาหาคนถุกคนยากคนจนคนตะกูลจันทานตกอกตกใจดังนั้นโอ้ยอันอาจสิษเป็นเรื่องใหญ่ การเลื่ยเป่าถือจดหมายแลนขึ้นตึงเงียนอาสิบไปเว้าซู่ยี่เม่ฟังสันดอาเล่าลอยยืมเงินเพิ่นผ้าปนเขียนจดหมายมาท่วงหนีเล่าสันดีเม่ม่ข้าไวยเอาไม่ยังหล่ะหล่ะแม่ยังล่ะข้าปากย่นเอากุ้งขเจีหมากเนาะโอ้ยข้าหมากสมัยใหญ่แท่เม่ แมงหางคือว่าสีลุกไปรับจ่างรัรายกับขึ้นมาหางคือกับแม่เยอะดอกแม่ว่าสิลกไปเยอะดอกแม่เอ้ยต่ว่นอันไปลกเงีไปบั่ตอหอดนาบ้านไปสนีบเอาจดหมายมาทรงเสดขอก็เลยได้ถอยขึ้นมานีละครับไผ่เกาะเมนยนี่มาทรงหยังเกาะเอามยนี่ใส่ับวันนี้เบ้าสถาพอใส่หัวเมนยนี่บ่โอ้ยไผ่ัสไปสนี่บ่เมนเมนนี่ ไปสันน้ไม่ต้องรดใหม่มาถามหาตะเสียวแค่นอจักลากับพังบ่าคักว่าแม่เถ่นี้มาหาที่สันดอพวกเจ้านัดกันไปหยังอีกเมื่อไหร่ตตําเหมียงค้าสูกันกินอ้อายุจักปีละสีกินตําเหมียงค้านะสำคัญที่อายุอ้าวแขวดีเนาะแนวห่ับหยีจักเดลยวห้าลูกสีบดีมากบดบ่ละเอียดได้หล่ะลืดเลยเตะเข่าโกบุมิบเล แม่ไม่หงหละอันไปสนีผู้ทรงจดหมายสนอกว่าแ ม, ม่แม่แงนี่หน่อยรับผูงจดหมายไผแม่เข้าใจเหรอจดหมายอ่านจดหมายโสรตตะนี่ก็ได้ฉบับหนึ่งอิหลามัลลิกาเราก็ได้ฉบับหนึ่งแต่ผู้แรฉบับค้านจดหมายผู้บ่าวผู้สาวบ้างไหนอะไรว้ยกั้นแม่จดหมายผู้บ่าวผู้สาวเจ้ามัตสีได้เห็นจดหมายตุกข่อยที่นี่น้องไผ่กัน อ, อันเนี่ยแม่ก็ไข่สีฟ้าเอามาหาเจ้ามันเป็นจดหมายมาจากเศรษฐีสองตระกูลในนครหลวงโกสัมพีเป็นเขียนมาหาเฮาสันดกแม่โอจดหมายจากตระกูลเศรษฐีเมืองโกสัมพีนครแม่หัวแม่เป็นเชียนมาอย่างหลูกคือบอแม่เสียพรอย่าแม่เฮาจะเชือกห่างบ้านปีหลับเศ้าปีหลับพอเห็นเขียนมาด่านเตื๋ยเปิดบี่สมาเปียกกลางกอยหลังไสลาด อ่มันพนิดทะลุอย่างหลุ่ทุระว่ามันทะลุกูเปีนจังทีกูบอกว่าม้วนกับขึ้นเป็นสื่อหลีระท่าไหร่แม่เอ้ยอันดุละนี่โสรัตกับวัดในหูคือกันดอกเมพราวะตกอกตกใจเฝ้าถือจดหมายขึ้นมหาเจ้าเนี่ยเจ้าเห็นว่านี่ยจดหมายเนี่ยเมีเห็นบ่โอ้จดหมายจลนี่จดหมายน่ยยูริมีโกเนี่ยหังเจ้ามีเนี่บ่เม อันบ้าจังใดลูกเอากวาสิอานไหนฟังได้เม่เอาอันเบื้องหลาปนเขียนมาว่าจังไดลูกเอาฟังเม่ในใจคว้างจดหมายนั้นปันเขียนมาว่าถึงแม่จันทิมาที่เคารพระนับถือพนามีถึงแม่กี่หังถึงเจ้าต้นเจ้าขวนาครอบขัวเนาะเอาไม่หยังลบันแค่หยังหลับม่แค่มาตี่ปว่ามันแค่มาจังไดเขาว่าจังสันทันลูก กถึงเจ้าตนเม่กเช็ดเช็ดถึงเจ้าได้ล่ะเม่เนี่ยจ้าสวัสดีข่ะถึงแล้วค้าโอ้ยอนุญาตบานคับเด้อผู้ใดต้อนรับครับสู้ดอกผู้ขาเอ้ยว่าีมากหยีเม่เจ้าสิต้อนรับครับสู้ผู้ใดเด้อเนี่ยเศรษฐีเศรษฐียสอ๋อเอามายศใสอ่ะเออเศรษฐียส เพราะเจ้าสิไปต้อนรับเพ่นจ้าไหนล่ะมเพื่นเขียนจดหมายมาหาเจ้านี้บ uh, uh, uh, uh, ่แมนโทรศัพท์มาหาเจ้าบ่แมนเพื่นมาหยางเจ้านด้ตอนนี้ที่าแม่เ้าน้ามติสันนี่จีบานเด้าน้ำโทรศัพท์แม่แล้วปัจจบัแม่ทาง่อีกน้องโอ้ยเพื่นบ่าวาเจ้าทานง่ดอกแม่หมยเก่าง่ายง่าโตไปง่ายอืมนี่แต่เพื่นสีส่งเจ้าไปงบัลกินตเวดกาิล์อ่างอันลงบอลบาะ กู่ไปกพี่น้องกูว่ามีนอก็มีตผีบาทตัวเบา่น้าจดหมายเนาะวแม่กับหูจก็บอกเอาสอนเอาไหนขอแม่เดียวนึงดอกเจ้าจะมาบอกข่อยเป็นตัวไหลจะมาบอกข่อยเจ้าสอนเจ้าจังไหลแม่กติกาเนาะเจ้าเป็นแม่ข่อยไว้เงือเอาอ่านไปแม่กัเอาฟังตอถันแม่นั่งอยู่สื่อๆเด้อในใจความจดหมายเป่นเขียนมาว่าเพิ่นนั่นอยากยับสวนหม่อนมาซ่อนสวนมีพนามี เป็นวาเป็นอยากยับสวนบักมีมาซ่อนบักขนุนตนเจ้าสิวาได่ละเมอตายซื่อเอ้าตายยางดีนอกบาดีนอฉันมาว่าจ้างสันติลูกอยากนับสวนหม่อนมาส้อนสวนมีอยากนับสวนบักมีมาส่อนบักขนุนครับแม่ตายซื่อปลาของขวดกุสิบ่มุลเอเล่ยนจีหันยะ เอ้ยไ่ได้ตัดลูกไม่ได้ไม่ได้เจ็ขาดเลยเอ้ยโบกมือไม่ใยว่าคว่าจังสันกระเขียนตอบคนไปสรุปยังไงคนจะป็นหวังป้นไงล่ะเอ้ยเอาเขียนตอบว่าจังไหนเม่มาเป็นตัเสบอกไปจงง่โลดว่าว่าแม่ปลูกเข้าโคดแล้วบอือแล้วปีหน้าปีเห่อค่อยมาซ้อนมาซ้อนใหม่เด้อค่ะเจริญพรสวัสดีส่วนตัวสวัสดีม่เม่์พระสิลปเจริญพรจังไห โอ้ยนี่แม่เจ้าเสียดายทักเนาะอันเขาโพดเจ้าน่ะน้เสียดายจังไลยไม่หัวบาาสมักดี่สิบคนเด้อโอ้เขาโพดเียมันเป็นราคาปะนั่นว่าเขาพวดเขาเนาะพันปุ่มปุยน้อยโอ้ตู้เป็นตะอ้วนแต่พันปุ่มปุยเพาะว่าเรเจ้าของผู้ปลูกโลอะเป็นตะสมคันสมบูรณ์จังจาวงผู้ปลูกก็ใช่เยอฟักนึงกินว่าเวแล้วตีเม่ มันม่เมีนจังสันดอกเมียจฟังดีๆสักก้นนี่ดีแล้วแมีเขาใจะไลูกซ้อนซ้อนบดดอกโอ้ยเมอันที่เพิ่นเขียนมานี่เพิ่นเขียนเป็นข้ามกาบข้าโค้งข้าตรงตุยข้ามผนาได้นี่เมีมันมีข้ามกาบข้าตรงตุยจังใหญได้บอสเหรมีฟังคักๆเบอรโอ้ยความหมายของเพิ่นอย่างยับสนวันมาซ้อนสนมีอย่างับสนบักมีมาซ้อนบักขนนนี่ความหมายของเพิ่นคือจังซี เพิ่นนั่นเขียนจดหมายมาท่าบมาท่ามเพิ่นขอความคิดเห็นจากเจ้าเพิ่นว่าอยากได้ลูกสาวกับลูกชายเจ้าเนี่ไปเป็นลูกเขยลูกไพ่สันดกเมเพิ่นเลยเขียนจดหมายมาขอน้าเจ้าเพิ่นจิตเป็นดองกับเจ้าเพิ่นจะเป็นท้องแ่นเดียวกันกับเจ้าสันดกเมเจ้าได้ยินไหม โอ้พันเชีมากนี่มากขอเจ้ากับมลิกาแมงเนื่องจากเด็กินจิจิซักคุณง่ามความดีของลูกทั้งสองของแม่จังสันจังสิมากขอเอาไปเป็นไผ่เป็นเขยไว้ดีใช่แล้วเออกระวอาจังสีต็ที่แรกแม่ก็เข้าใจเด้อสุระบ่าวอ้อมโทษอยู่อคนไปได้อ้อมพทษนับถือว่าน้ำจดหมายนับถือเชียนมาจังไหนข่าว่าจังสันตัวเม่จังแล้ว